โสมนัสคือเครื่องวัดกรรมที่ทำว่ามีความใหญ่ในตัวเองเพียงใดโสมนัสแปล ว, ว่าความสุขใจความปลาบปลืม้มความสบายใจความดีใจโสมนัสในการทำกรรมหากมีความแรงเป็นพิเศษไม่ว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วการเสวยผลจะเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่กว้างขวาง หากเป็นโสมนัสในกรรมขาวผลจะน่าชื่นใจแจ่มชัดยิ่งเช่นการถวายสังฆทานด้วยโสมนัสแรงทุกครั้งขณะธรรมคุณเป็นสุขกับบุญอันวิเศษหลัง ร, รมคุณอิ่มใจที่ประกอบกรรมดีสำเร็จจะทำให้คุณเกิดใหม่ในที่ที่มีสมบัติบรรดาปีติหน้าพิสมัยยากแก่การเบื่อหน่าย พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักง่ายๆว่าเมื่อมีความเลื่อมใสปลื้มใจในการให้ทานเมื่อใดก็จงทำทานเมื่อนั้นเวลานั้นแหละเป็นเวลาเหมาะที่สุดกับการทำทานใจที่ใสแล้วด้วยความอยากให้ยอมรู้เองว่าสิ่งที่ตัวเองให้นั้นทำได้ดีที่สุดแค่ไหนและเมื่อทำไปเต็มที่แล้วความใหญ่ของบุญก็เต็มที่แล้วเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณไม่มีทางทาบุญให้ใหญ่ไปกว่านั้นอีกสรุปคือความเลื่อมใสความปลื้มใจเป็นสัญญาณเต็มของแรงบุญในตัวในอดีตนางธาตถวายข้าวพระพุทธเจ้าด้วยข้าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ในวันหนึ่งของตนโดยไม่กลัวหิวกำลังสงมณั์ในการทำทานเกินร้อยก็ได้ผลลัพธ์เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่จดจาไปจนวันตายของนาง จากนั้นตายไปเกิดใหม่กี่ชาติก็รวยไม่รู้เรื่องมีเงินใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดอีกข้างรวยอย่างฉลาดช่วยคนฉลาดอุปธรรมพระศาสนาเพราะขณะได้มีโอกาสถวายทานใหญ่ด้วยข้าวเพียงกามือเดียวนั้นนางอธิษฐานไว้ว่าถ้าพบพระศาสนาอีกจะต้องคิดเลยว่ามีทรัพย์พอทำเท่าไหร่แต่หากเป็นสมนัตในกรรมดา ผนก็จะหน้าขนพองสยองกล้าวยิ่งเช่นถ้าคุณแค้นศัตรูคนหนึ่งชนิดฝังกระดูกวันใดศบโอกาสได้ฆ่าเขาด้วยวิธีตัดมือตัดเท้าทิ้งทีละชิ้นแถมก่อนสิ้นใจบังคับให้เขาดูภรรยาถูกข่มขืนฆ่าอย่างทรมานและคุณเกิดความปลื้มใจที่ล้างแค้นสำเร็จความปลับปลื้มนั้นคือสมนัตอย่างแรงเป็นพิเศษในกามชั่วที่ใหญ่หลวง เมื่อให้ผลนที่เกิดใหม่จะทำให้คุณต้องเผชิญกับเรื่องโหดร้ายนานับประการแม้หมดกรรมในนรกมีโอกาสมาเป็นมนุษย์อีกก็เหมือนทั้งชีวิตจะต้องหัวซุกหัวซุนหลบหนีการไล่ล่าที่เฮี้ยงเกรียมร่ำไปคุณมีสิทธิถูกเกมกรรมทรมานด้วยการเวียงไปเป็นนักโทษที่ผู้คุมไม่ยอมให้ตายดีและแม้คิดฆ่าตัวตายก็ทาไม่ได้พูดง่ายว่าผังชีวิต จะถูกวาดให้เจอแต่เกราะร้ายน่าสยดสยองได้รับความทรมานกายและเจ็บช้ำน้ำใจเกินจินตนาการ